การภาวนาเนี่ยก็เหมือนกันที่แรกใจของเราเป็นผู้มีกิเลสราฆะโทสะโมหะแต่จากนั้นมาเราใช้ตปธรรมคือศีลสมาธิปัญญามาเผามาสุ่มมากั้นกรองมาไต่ตรองเหตุและผลจนใจือพระไัยของพระองค์รู้แจ้งเห็นจริงจีบแจ้งเห็นจริงคือเป็นกเป็นน้ามันมะพร้าวออกมาแหละเลยรู้แจ้งเห็นจริงเกิดความเบื่อหน่ายคลาย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 ดังปราถนาทุกประการเทิน